นี้แล้วพระนิพพ า, านก็เป็นอันว่ากำจัดทุกข์ให้เราได้จริงส่วนสแสวงหาอย่างอื่นไม่กำจัดทุกข์ให้เพราะถึงสแสวงหาสิ่งอื่นได้มาก็ยังได้ความแก่เจ็บตายอยู่นั่นแหล ะ, ะผู้สแสวงหาฝั่งคือนิพพานจากที่ไม่ใช่ฝังพระองค์ได้ทรงประทานบันไดอันทอดไว้ดีแล้วบริสุทธิ์ทาด้วยไม้แก่นคือธรรม เป็นบันไดมั่นคงแก่เราผู้ถูกกระแสตันหาพัดไปอยู่และได้ตัดเตือนเราว่าอย่ากลัวเลยเรากลัวตันหากลัวภัยในวัฏสงสารมากแค่ไหนก็จงรู้เถิดว่าพระมริทภาคเจ้าเป็นที่พึ่งของเราและตัดเตือนเราเสมอว่าไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวทุกภัยอ น, นั้นพระองค์จะสร้างบันได ให้เราเก้าวขึ้นมาจากกระแสตานาได้จะสร้างที่พึ่งให้เราได้ขอเพียงเรารับโอวาท ด, ด้วยความเคารพมีศรัทธาเต็มที่ในพระธรรมคําคสอนเท่านั้นเพราะดันั้นอยากกลัวทุกทั้งหลายอยากกลัวพระพุทธเจ้ายัางเป็นที่พึ่งเราได้ยังกำจัดทุกข์ให้ได้คําสอนของพระองค์เป็นเหมือนบันไดหรือเป็นเหมือนอาวุธเหมือนเหมือนอาวุธที่จะไป ป้องกันภัยป้องกันฆ่าศึกสัตรูได้เราคือพระ เ, เตลุการนิเทระเนี่ยได้ขึ้นสู่ปราสาทคือสติปัฏฐานแล้ว น, นี่นะนะนี่ท่านทั้งหลายอยากจะได้ที่อยู่ดีๆเนี่ยไม่ต้องไปแสวงหาภายนอกสติปัฏฐานสติที่ตั้งมั่นและแผ่ไปในอารมณ์สี่อย่างเนี่ยคือกายเวทนาจิตธรรมเป็น ที่อยู่อาศัยอันดียิ่งของชีวิตท่านของจิตใจของท่านให้มีสติคอยตามระลึกรู้ลักษณะสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอตอนนี้มีเห็นไหม เ, เห็นไหมละ่ะว่ า, าการเห็นเนี่ยมันมีลักษณะสภาวะธรรมตั้งสามอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันมีสีนะสีมากระทบประสาทตาเห็นไหมเห็นสีไหมเห็นเห็นประสาทตาไหม เราเห็นจากขูวิญญาณที่เกิดตรงประสาทตาแล้วมีลักษณะเห็นสีไหมแล้วมันก็ดับไปแล้วก็เกิดขึ้นอีกเสียงก็เหมือนกันนะได้ยินเสียงเนี่ยมีเสียงใช่ไหมรู้ลักษณะของเสียงไหมมีสติระลึกรู้ไหมว่าลักษณะของเสียงคือกระทบประสาทหูจริงไหมเห็นไหมแล้วก็มีโสตวิญญาณ วิญญาณที่เกิดตรงประสาทหูนัน้เกิดขึ้นรู้เสียงลักษณะของโสตวิญญาณคือรู้เสียงได้ยินเสียงแล้วก็จบแค่นั้นมีไหมอะไรเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยสติปัญญานต้องไปตามระลึกรูก้ระลึกอยู่ได้เรื่อยไม่ลืมไปก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอารมณ์วิปัสสนามันมีอยู่ตลอดแต่ผู้ทําวิปัสนาหายากอารมณ์วิปนะัสนาเนี่ยมีอยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตลอดเวลาเลยคือรูปนามแนหะที่มันเกิด ตรงตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอยู่ตลอดเวลาแต่สติสติคือผู้ทำการระลึกรู้นะ่ะ ม, มันมียากมียากมีน้อยมากเลยอารมณ์วิปัสสนามีอยู่แต่ผู้จะทําวิปัสสนาคือไประลึกอารมณ์นั้นนะ่ะน้อยนะแต่ท่านได้ทําได้เราได้ขึ้นสู่ปราสาทคือสติปัฏฐานแล้วพิจารณาเห็นหมู่สัตว์ผู้ยินดีในร่างกายของตน สิ่งที่เราจะยินดีไปเกินกว่าร่างกายเนี่ยคงจะไม่มีรักเหลือเกินนะร่างกายของตัวเราเองเนี่ยที่เรามาลำบากกันทุกวันนี้เพื่ออะไรเพื่อจะรักษาร่างกายเอาไว้ใช่ไหมให้มันมีความสุข ท, ท, ทั้งที่มันก็มีทุกข์นะถ้ามันมีสุขแล้วเราต้องไปรักษาไว้ทำไมเราก็ปล่อยมันที่มันมีสุขแล้วแต่เปล่า เพราะร่างกายมีทุกข์เราท่านทั้งหลายจึงต้องขวนขวายอะไรทุกอย่างหมดแสวงหาอะไรทุกอย่างหมดก็เพื่อที่จะให้กายเนี่ยเป็นสุขกายจึ่งเป็นที่เกิดของผัสสะหกทางเออขอให้เราได้เห็นอะไรแล้วเป็นสุขได้ยินอะไรแล้วเป็นสุขขอให้กายนี้ได้สัมผัสอะไรแล้วเป็นสุขได้กินอะไรเป็นสุขได้ดมอะไรเป็นสุขขอให้ตาอย่าได้แตกหูอย่าได้แตกไป อย่ได้มีโรคตาโรคหูเนี่ยเราเราวุ่นวายอยู่กับเรื่องเหล่านี้นะเรื่องร่างกายเดี๋ยวต้องไปปัดสวะอุจจาระเพราะร่างกายมันเดือดร้อนแล้วเดี๋ยวต้องอาบน้ําเช็ดตัวกินข้าวเดี๋ยวต้องนอนเดี๋ยวต้องปลุกขึ้นมาทุกอย่างเนี่ยที่เราวุ่นวายเนี่ยมันเรื่องกายอใช่ไหมแล้วนอกจากนี้ยังมีเรื่องใจอีกเราต้องบริหารทั้งนั้นแหละกายใจแต่ว่าเอาว่าเรารักกายกันมาก ตกแต่งกายกันมากเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าพิจานาเห็นหมู่สัตว์ผู้ยินดีในร่างกายของตนที่เราได้สําคัญในการก่อนโดยกะโดยเป็นแก่นสารคือตัวท่านเองก็รู้ว่าโอ้สัตว์ทั้งหลายเขารักร่างกายที่สุดตัวท่านก็รักร่างกายที่สุดว่านี่มันเป็นสาระสําคัญที่เราต้องรักษาให้ได้ต้องบํารุงรักษาเอาใจใส่รับใช้ให้ดีที่สุดเพราะมันมีสาระมันมีมันเป็นของเรามันเป็นประโยชน์ นะมันเป็นของมีค่าที่สุดของชีวิตมันเป็นสิ่งที่ให้ความสุขที่สุดมันเป็นของยั่งยืนมันเป็นของสวยงามเราคิดสาระตรงนี้สาระของของร่างกายด้วยความเข้าใจผิดว่ามันเป็นของสวยงามมันมีตัวตนของเราเป็นของเราเราเป็นเจ้าของมันมันเป็นความสุขอันสูงค่ามันยั่งยืนเที่ยงแท้เราคิดกันอย่างนี้นะ่ เราจึงเห็นว่ามันเป็นแก่นสารใช่ไหมล่ะทำอะไรเนี่ยต้องให้ร่างกายมันสบายก่อนเพราะไอ้ความสบายนั่นแหละเราเห็นว่าเป็นแก่นสารก็เมื่อใดเราไ ด, ไ, ดได้เห็นทางอันเป็นอุบายขึ้นสู่เรือขึ้นสู่เรือคือท่านเห็นแล้วว่าคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนเรือแล้วท่านก็เห็นทางที่จะขึ้นไปสู่เรือที่จะไปถึงฝั่งเพราะว่าตอนนี้จมน้ำอยู่พวกเราเนี่ยจมจมกิเลส ก, กันอยู่ วันๆในกิเลสเกิดเนี่ยนับไม่ได้เนจะไป น, นับเลยว่าโลภะเกิดกี่กี่ครั้งโทสะเกิดกี่ครั้งเนี่ยนับไม่ได้จะนับได้ก็อาจจะนับพวกกุศลเกิดกี่ครั้งในวันนี้นเพราะว่ามันเกิดยากนะแต่ก็นับไปได้นะเพราะว่ามันรวดเร็วมากแต่เอาละเมื่อเราได้เห็นทางที่จะพ้นทุกข์ก็จะต้องเดินทางนั้นนะ เมื่อใดเราได้เห็นทางเป็นอุบายขึ้นสู่เรือเมื่อนั้นเราจะไม่ยึดถือว่าเป็นตัวตนเมื่อนั้นเราจะไม่ยึดถือว่าเป็นตัวตนคือเห็นสติปัฏฐานนี่เองว่าเมื่อสติปัฏฐานเกิดแล้วไประลึกรู้ได้ว่าโอ้ตานี่มันเป็นประสาตตานะมันเป็นลักษณะใ ส, ส่ไม่มีตัวตนไม่ใช่เป็นของเรามันต้องแตกประสาตตาเนี่อาศัยอยู่กับธาตุดินน้ำลมไปที่เป็นเบ้าตาต้องแตก เออไอ้จิตไอจิตที่ไปเกิดการเห็นเนี่ยจิตเนี่ยทําหน้าที่เห็นประสาตาไม่ได้เห็นนะประสาตาทําหน้าที่กระทบสีเท่านั้นแล้วจิตก็เกิดจิตเนี่ยมันก็เป็นเพียงธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งไปรู้สีแล้วก็ดับนะเนี่ยเขาเรียกอุบายขึ้นสู่เรือเรืออันนี้ก็หมายถึงอริยมรรคเนี่ยเออไปเห็นอีกแล้วโอ้เสียงเท่านั้นนะเสียงนี่ไม่มีตัวตนไม่มีตัวใครแล้วไม่มีใครอยู่ในเสียงหรอกไม่มีตัวสัตว์มากระทบหู กระทบตรงหูเท่านั้นที่อื่นไม่กระทบมาแล้วก็เกิดโสตะวิญญาณขึ้นมาแล้วก็ดับไปทั้งเสียงทั้งโสตะวิญญาณทั้งปภาสาทหูทางจมูกก็เหมือนกันทางลินทางกายทั้งใจก็เหมือนกันใจนี่ก็คิดอารมณ์แล้วก็เลิกนะแล้วก็คิดกันใหม่แล้วก็ดับแล้วก็คิดกันใหม่เอาเดี๋ยวคิดแล้วก็โลภโลภดับไปซะก่อนเดี๋ยวค่อยโกรธอ่าเดี๋ยวมาคิดทางตาแล้วเออไอ้นั่นเห็นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอ้าวดับไปเดี๋ยวมาคิดทางหู ในขณะที่คิดทางตาก็ไม่มีการคิดทางอื่นเป็นอย่างนี้สติปัะฐานต้องไปตามระลึกรู้อยู่ลักษณะความจริงของรูปนามที่เกิดขึ้นเมื่อ น, นั้นเราจะไม่ยึดถือว่าเป็นตัวตนถ้าเห็นแล้วก็โอ้ ه, มันไม่มีอะไรนี่ร่างกายที่ว่าเป็นตัวเราไม่มีแท้จริงแล้วเป็นเพียงธาตุดินน้ำมลมไฟเป็นหลักแล้วก็มี รูปอื่นมาอาศัยเช่นประสาทตาประสาทหูประสาทจมูกมาอาศัยธาตุดินน้ํำลมไฟเนี่ยเท่านั้นเองทางจิตใจก็ไม่มีอะไรจิตใจก็เกิดอยู่ในกายนี่แหละแล้วก็ดับไปไม่มีตัวตนหรอกได้เห็นท่าคืออริยมรรคอันอุดมอันอุดมคือสูงสุดอริยะนี่ก็แปลว่ากลกิเลสปัรค ก, ก็คือปะหารเนี่ยปะหารกิเลส ด, ด้วยปัญญาได้สิน้น ได้สิ้นได้ขาดสิ้นอันสูงสุดพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงทางอันสูงสุดเพื่อไม่ให้บาปทำทั้งหลายมีทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นว่ามีตัวตนในขันห้าและมานะคือความถือตัวตนขันห้าของเราว่าสูงกว่าคนอื่นหรือต่ำกว่าคนอื่นหรือเท่าคนอื่นเพื่อม่ให้บาปทำทั้งหลายมีทิฏฐิและมานะเป็นตน้นซึ่งเป็นดังลูกศรเกิดในตน ลูกศร อ, อันนี้ไม่มีใครเขายิงเข้ามามันเกิดขึ้นในหัวใจเราเองใครทําให้เกิดอ่ะใครทําให้ลูกศรคือทิฐิและมานะเกิดก็อวิชาอาวิชาเป็นเหตุปัจจัยเป็นมูลรากนะหรือว่าโลภะก็ได้เป็นมูลรากนะอีกอันหนึ่งที่ช่วยกันทําให้ทิฐิและมานะซึ่งเหมือนลูกศรเนี่ยเกิดในตนเกิดแต่ตัณหาเครื่องนําไปสู่พบเป็นไปได้ มันบอกว่าชิตถีแลวมานะเนี่ยซึ่งเหมือนกับลูกสรเกิดในตนเนี่ยมันก็เกิดจากตันหาตันหาคืออะไรคือเครื่องที่จะเที่ยวไปสู่ภพต่างๆดำเนินไปตันหาเนี่ยมันมีหน้าที่พาเราไปไปเถิดไปเที่ยวกันไปไหนอะ่ะไปในสามสิบเอ็ดภูมิหรือว่าสามสามภพคือการประภพรูประภพอารูประภพเที่ยวไปตอนนี้เรามาเที่ยวที่นี่นะเรามาเที่ยวในในโลกมนุษย์นี่ย ไม่นานหรอกตันหะเขาก็เบ<ๆ>ื่อแล้วเดี๋ยวก็จะไปพาไปเที่ยวที่อื่นอีกแต่มันก็วนเวียนอยู่กันอะไ ม, ไ ม, ไม่ไม่พ้นไปได้ตันหามันเป็นไปได้กับเพราะแบบเนี้ยคือไอ้ทิฏฐิและมานะมันเกิดเออมีตัวตนนะตันหาบอกมีตัวตนไ อ, อ้ทิฏฐิก็เกิด อ, อทิฏฐิเกิดไม่พอไอ้ตันหาบอกมานะไอ้เอาลองถือตนไว้ก็ยกตนขึ้นสูงก็เที่ยวกันไปไปที่นู้นที่นี้ต่างๆ ต, ตอนนี้เราเป็นมนุษย์เราก็รู้สึกว่าเรา ชอบใจมนุษย์แล้วนะเพราะว่าตัณหามันมันมันมันมันเพลิดเพลินอ่ะมันมันเกิดขึ้นในจิตใจก็เพลิดเพลินในความเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเวลาใกล้จะตายชักจะเสียดายแล้วไม่หยาเลยนะอยาหยาหยาหยาเพิ่งตายเลยขออยู่นานๆก่อนแต่ไม่ยอมหรอกตัณหามันก็พามันไปอีกสรุปแล้วคือเที่ยวไปในรูปนามนั่นเองตัณหาเพราะตัณหามันชอบรูปนามมันก็พาไปในพบที่มีรูปนามต่างๆคือพบทั้งหลายเนี่ย ทั้งสาอดภูมิมีแต่รูปนามทั้งนั้นนะไม่มีอย่างอื่นที่ตันหามันยินดีพระเถลักล่าวต่อว่าพระพุทธเจ้าทรงกําจัดโทษอันเป็นพิษได้ทรงบรรเทากิเลสเครื่องร้อยลัดของเราอันนอนเนื่องอยู่ในสันดานอันตั้งอยู่แล้วตลอดกาลนานเนี่ยท่านเตลุการนี้ได้เที่ยวแสวงหานะได้ค้นคิดแล้วก็ไปถามใครแต่ใครว่าใครจะช่วยได้ในสุดก็ได้พบพระพุทธเจ้านี่เองนะว่าอ๋อ เราต้องปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงกาจัดโทษซึ่งมีพิษร้ายมีอันตรายมากแล้วก็บรรเทากิเลสซึ่งมัน ร, รัดรัดจิตใจของเขาให้ทุกข์หรือว่าร้อยรัดเอาไว้ให้อยู่ในภพภูมิในวัดะสงสารท่านทำให้กิเลสซึ่งนอนเนื่องอยู่ในสันดานคือความสืบต่อของขันธ์ห้าของท่านเนี่ย ให้หมดสิ้นไปท่านบอกว่าทรงบรรเทากิเลสเครื่องร้อยลัดของเราอันนอนเนื่องอยู่ในสันดานอันตั้งอยู่แล้วตลอดกาลานานเนี่ยกิเลสเนี่ยมันตั้งมานานแล้วนะในอดีตเนี่ยนานนับไม่ได้ปัจจุบันเนี่ยก็ทุกขณะที่มันที่เราไม่ได้เจริญสติเจริญกุศลเนี่ยกิเลสมันก็ทำงานไม่ต้องกลัวตัณหาทำงานแล้วในอนาคตอีกนานแสนนานเนี่ยมันก็ยังจะเป็นไปอย่างนี้ จบเตลูการิเถระคาถาคือคือพระเถระได้กล่าวแสดงความเป็นพระอรหันต์ของท่านในคาถาสุดท้ายว่าก่อนที่ท่านจะเป็นพระอรหันต์ได้เนี่ยท่านได้เห็นกิเลสของท่านเองเนี่ยแหละไม่ต้องไปดูใครหรอกไม่ต้องไปดูกิเลสของคนอื่นหนะรอกกิเลสคนอื่นเราจะไปเห็นได้ไงตอนเนี้คุณโยมรู้ไหมอัตนาอาจมามีกิเลสอะไรไม่รู้คุณโยมไม่มีปรัชจิตตวิชา พิเศษอภิญยาพิเศษที่จะมารู้จิตของอัตมาได้ไม่มีก็ต้องรู้จากกิเลส ข, ของเรานั่นแหละเพราะบัญชีเกิดขึ้นในหัวใจของเราแต่สําคัญว่าเรารู้หรือไม่อันนี้มันเป็นเรื่องตรงนี้เองว่าเราจะใช้คําสอนพุทธเจ้าให้มาให้มารู้ได้ไหมว่ากิเลสเป็นอย่างนี้เพราะว่าคําสอนท่านจะบอกนะบอกลักษณะกิเลสไว้ว่ามันไม่เหมือนใครนะกิเลสมันมีลักษณะเศร้าหมองนะลักษณะสกระปรกเป็นบนทินของใจนะจะดูมันก็ดูเวลาใจมันเศร้าหมองนะ่ะจะเห็นมันได้ คำสอนนั่นจะบอกอย่างนี้จะบอกความจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันปัจจุบันเอาไว้หมดพอจดันท่านเตลุกาณีนี่นจึงจึงต้องมากล่าวคำสดคาซึ่งเป็นสัจจะออกมาให้เราได้ให้เราได้เตือนตัวเราเองได้ว่าโอ้บัณฑิตทั้งหลายเนี่ยเขาเห็นกิเลสในตัวเองนะเขาเห็นโทษของกิเลสนะ เขาเห็นภัยอันตรายของกิเลสนะเขาเขาจึงมีปัญญาปัญญานั่นแหละไปทําหน้าที่เห็นโทษเห็นภัยแล้วเขาจึงมีปัญญาคตนคิดหาอุบายกําจัดกิเลสแต่ว่าสําหรับพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะที่คิดได้เองรู้เองปัญญาสมบูรณ์เองแต่สําหรับพวกเราทั้งหลายนี่ต้องอาศัยพระธรรมคำสัง่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตราบเท่าที่เรายังเห็นกิเลสอยู่ต้องใช้ไป จนกว่าเมื่ อ, อไรแล้วหมดกิเลสแล้วก็เลิกใช้ไม่ได้ว่าอะไรนะจะไม่ไม่ใช้คําสอนพุทธเจ้าไม่ว่าเราขอให้ท่านหมดกิเลสซะก่อนถ้าเราหมดกิเลสเมื่อไรแล้วก็ไม่จําเป็นแล้วจะต้องไปอาศัยคํา ส, คสอนพุทธเจ้าเพราะว่าไม่รู้จะเอาคําสอนพุทธเจ้ามาำทําลายกิเลสอะไรพี่ไม่มีเรื่องที่จะต้องมาทําลายเหมือนกับว่าเราหายโรคแล้วก็เราไปหาหมอแต่ตอนนี้เรายังเป็นโรคเนี่ยเราก็ต้องขวนขวายหาหมอที่ดีด้วย อย่าไปหาหมอแบบบ้าๆบอๆเขานะยิ่งป่วยหนักก็ไปอีกนะไปหาคําสอนของคนอื่นไปนึกว่าคนอื่นจะช่วยเราได้หมดทางเลยหมดหมดทางหายเลยเพราะไอ้คนมีกิเลสจะมารักษาคนมีกิเลสด้วยกันได้อย่างไรไม่ได้ต้องคนหมดกิเลสเท่านั้นจึงจะสามารถรักษาคนหมดกิเลสได้ทีนี้ขอย้อนกลับมาถึงคาถาที่กล่าวไว้ข้างต้นนะ ศีลเมวะอิธาอักขังปัญญาวาปนะอุตโโมมนุษย์เสสุจะเทเวสุศีลปัญญานะโตชยังที่แปลว่าศีลเป็นเลิศในโลกเป็นเลิศก็คือดียิ่งส่วนปัญญาเป็นของประเสริฐสุดของดีที่สุดบุคคลในโลกมนุษย์และสวรรค์ย่อมชนะด้วยศีลและปัญญาชนะอะไรชนะกิเลสชนะทุก ชนะคนทั้งหมดเลยด้วยศีลและปัญญาที่เกิดขึ้นในตนเองเพราะศีลปัญญาเนี่ยไปกําจัดไอ้สิ่งนี้เราพ่ายแพ้อยู่คือเราพ่ายแพ้ตัณหาใช่ไหมเราพ่ายแพ้สักกายะทิฏฐิเนี่ยปัญญาและศีลเนี่ยจะไปชนะได้อันนี้เป็นคําสอนของใคร เ, เป็นคําสอนของท่านพระปุณณเถร ะ, ท, ะท่านพระปุณณเถระ เมื่อจวนจะาบริณิพานก็ได้ประกาศความเป็นพระหันของท่านเอาไว้ว่าท่านเป็นพระรหันโดยโดยคาถาที่ท่านบอกนี่แหละว่าศีลเป็นเลิศในโลกแต่คนเรานีไม่เห็นตามนะอะไรจะเป็นเลิศในโลกในโลกเนี้ยอะไรเป็นเลิศสําหรับความเห็นของคนทั่วๆไปมันไม่ใช่ศีลเนี่ยไม่ใช่ศีลเนี่ยมนุษย์ที่ ที่รักษาศีลสารเสรวนศีลชักชวนให้ตั้งอยู่ในศีลนั้นมีน้อยนะไม่ใช่อย่างนั้นนะเลิศคนที่เลิศในโลกนี่ก็คือคนที่มีลาบมียศมากมีอํานาจมากเราถือกันว่านั่นแหละเป็นเลิศในโลกแต่โดยสรุปก็คือการมาคุณนะการมาคุณคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าคล่น่าพอใจว่าเป็นเลิศในโลก เมื่อเรายกย่องการมาคุณเป็นเลิศโลกก็คือยกย่องตัณหาเป็นเลิศนั่นเองแต่จริงๆแล้วศีลเท่านั้นเป็นเลิศในโลกเราอย่าไปเห็นอย่างอื่นเขาดีกว่าศีลนะแต่ที่จะดีกว่าศีลก็มีคือปัญญาปัญญาในที่นี้หมายถึงปัญญาที่เกิดขึ้นในขณะของมัคจิตที่ปาะหารกิเลสคือได้เห็นทุกข์ได้กำหนดรู้ทุกข์บริบูรณ์แล้วได้ละตัณหาแล้วปัญญาตัวเนี้ย ได้ทําให้แจ้งพระ น, นิพพานคือเห็นพระนิพพานแล้วได้ทําให้มรรคคือการประหารกิเลสเจริญแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ประเสริฐสุดที่เทวดามนุษย์ทั้งหลายบูชาพราะบูชาศีลของท่านบูชาสมาธิบูชาปัญญาบูชาวิมุตติความหลุดพ้นจากกิเลสของท่านเราไม่ได้บูชาพระพุทธเจ้าว่าเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีลาภมากเป็นผู้มียศสูงเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินเป็น ผู้มีบอรนิวานมากไม่ใช่นะไม่ได้บูชาสิ่งนั้นเลยมนุษย์และสวรรค์เนี่ยไม่ได้บูชาพระเจ้าด้วยสิ่งนั้นแต่เพราะว่าท่านมีศีลอันสูงสุดมีปัญญาอันสูงสุดต่างหากออพระปุณณนะพระปุณณะนี่ก็ท่านเป็นภิกษุเอตัคขะรูปหนึ่งเหมือนกันนะคือเ อ, อ่อ เป็นผู้มีความอดกลั้นอดทนในอันที่จะเอาชนะกิเลสของตัวเองได้นี่เป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นคุณธรรมโดยย่อๆของท่านนะแต่ว่าเรื่องยาวๆของท่านนี่ก็เคยได้กล่าวเอาไว้บ้างแล้วนะพระพุทธเจ้าได้สอนอได้สอนข้อธรรมะแต่โดยย่อๆ ให้พระปุณณะว่าดูก่อนปุณณะรูปทั้งหลายที่ต้องเห็นด้วยตาอันเป็นรูปที่น่าต้องการน่าใคร่น่าชอบใจมีอยู่ถ้าภิกษุเพลิดเพลินยินดีต่อรูปนั้นยึดมั่นรูปนั้นความเพลิดเพลินก็เกิดแก่ภิกษุผู้เพลิดเพลินยินดียึดมั่นซึ่งรูปนั้นดูก่อนปุณณะสถาคตกล่าวว่าความเพลิดเพลินนั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะ ก, ก็คือ เพลิดเพลินก e ็คือตัวโลภตัวตัณหาตัวยินดีแบบเดียวกันน่ะคือตัวเดียวกันน่ะมันจะเพิดเพลินอะไรก็เพิดเพลินรูปนั่นเองเพลิดเพลินรูปที่เห็นทางตาดูก่อนพุณาเสียงทั้งหลายที่รับฟังด้วยหูกลิ่นทั้งหลายที่รู้สึกด้วยจมูกที่ที่ดมได้ด้วยจมูกรสทั้งหลายที่รู้สึกได้ด้วยริ้นผดทัพทะคือความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็ง ควาหย่อนความตึงความเคลื่อนความไหวของธาตุดินธาตุไฟธาตุลมก็รู้สึกได้ด้วยกายธรรมารมณ์ก็รู้สึกได้ด้วยใจอันเป็นที่ต้องการที่น่ารักใคร่น่าชอบใจมีอยู่ถ้าภิกษุเพลิดเพลินยินดีและยึดมั่นต่อเสียงต่อกลิ่นต่อรสต่อโผฏฐัพพะต่อธรรมารมณ์เหล่านั้นความเพลิดเพลินก็เกิดขึ้นความเพลิดเพลินนั้นตถาคตกล่าวว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยเราเราอยากไปทีเนี่ยก็คือ เราได้ทุกมาเรื่อยๆทุกคือความเกิดแก่ตายก็จะมีมาเรื่อยๆเราอยากไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจดูก่อรภูณะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะพระธรรมลมที่ต้องรู้ด้วยตาด้วยหูด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายด้วยใจที่น่ารักไข่น่าต้องการมีอยู่ถ้าภิกษุไม่เพลิดเพลินยินดีไม่ยึดมั่นในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะพระธรรมรมเหล่านั้นความเพลิดเพลินก็ดับไป ตถาคตกล่าวว่าความดับไปแห่งความเพลิดเพลินนั้นก็เป็นความดับทุกข์อันนี้จะให้มันดับยังไงอ่ะนี่มันก็ต้องมาเจริญศีลซะก่อนนะแล้วก็มาเจริญสติปัญญาที่จะไปสติก็ตามระลึกรู้ลักษณะของรูปที่มันเพลิดเพลินน่นที่มันสวยนั่นแหละว่ามันเกิดมันมีลักษณะอย่างไรมันเกิดแล้วทํางานอะไรแล้วมันก็ดับไปนะแล้วมีปัญญามองเห็นความดับไป ของรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะของตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันเกิดอยู่ทางทางทางเนี้ยแล้วมันจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดนั้นก็เรียกว่าดับไปแห่งความเพลิดเพลินเนี่ยท่านรับโอวาทย่อๆย่แค่นี้นะท่านไปทำจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์คือท่านท่านทำด้วยความเคารพคำสอนพระเดทธเจ้าก็ไปตั้งใจทำกันจริงจังคือเจริญสติปัฏฐานอย่างเนี้ยเจริญวิปัสสนาจนจน บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างสะดวกสบายเพราะอะไรก็เพราะว่าไม่มีกิเลสเครื่องที่จะมารบกวนเบียดเบียนตัวท่านเองให้ต <online> ้องเดือดร้อนในการไปเผยแผ่อะไรอีกคือมันหมดอะไรใยดีในชีวิตนะ พระอรเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้ด้วยการอนุเคราะห์เกืือกูลแก่สัตว์โลกจริงๆคือไปตรงไหนเนี่ยคนได้เห็นได้ยกมือไหว้ก็ไปสวรรค์ได้แล้วได้ทาบุญด้วยก็ไปสวรรค์ได้ฟังธรรมจากท่านก็ยิ่งสามารถที่จะเป็นปัจจัยให้พ้นทุกข์ไปได้ท่านมีชีวิตอยู่อย่างนั้นนั่นแหละทีนี้จะขอนำเรื่อง อีกสักเรื่องหนึ่งมากล่าวเราได้เคยเพูดถึงเรื่องพรามที่ชื่อจูเลกะสาดกนะพรามจูเลกะสาดกซึ่งเป็นประวัติของพระมาหากัสสปะเถระที่ได้บําเพ็ญบารมีในสมัยผู้ทธเจ้านามว่ากัตสปะเนี่ย ยังมีอีกนะวิเรื่องพราหมณ์จูลเลกะสาดกเนี่ยยังมีอีกมีอยู่ในปาปวัคขุทะกะนิกายคาถาธรรมบทว่าในการแห่งพระวิปัิสีทศพลได้มีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อมหาเอกะสาดกมหาขยญยแต่ในเวลานี้พราหมณ์นี้ได้เป็นพราหมณ์ชื่อชื่อจูลเลกะสาดกในเมืองสาวัตถีเกิดในเมืองสาวัตถีในปัจจุบัน คือคือในในในอดีตพูะพุทธเจ้าวิปัสสีทศพลน่เขาก็เป็ น, ปนพราหมคนหนึ่งชื่อมหาเอกะสาดกแต่ในสมัยปัจป จ, จุบันที่พรุทธเจ้าของเรายัางงรมพระชนอยู่เนี่ยเขาชื่อจูเลกสาดกแล้วก็มีผ้าสาดดกสำหรับนุ่งเพียงผืนเดียวเหมือนกันต้องใช้สองคนคือให้ภรรยาใช้ด้วยเมื่อวันหนึ่งมีการประกาศให้ฟังทำพรามก็ปรึกษากันนะว่า เรามีผ้าห่มเพียงผืนเดียวนะใครจะไปแต่กับเวลากลางวันนางพราหมณีก็ไปกลางวันพราหมผู้เป็นสามีก็ไปกลางคืนแล้วก็ไปนั่งฟังธรรมต่อหน้าพระ พ, พระพุทธเจ้าแล้วก็มีเหตุการณ์เช่นเดียวกันนะคือปีตหิห้าอย่างนะปีติอย่างเบาๆปิติชั่วขณะปิติเป็นพักๆปิติโลดโผนปิติทราบราๆเกิดทั่วสรีระของพราหมณ์ ก็ใคร่จะบูชาพระพุธเทธเจ้าแต่ก็เกิดความตรนีอีกนะคิดว่าถ้าถาวายผ้าสาดกนี้แล้วผ้าห่มของนางพรามณีนะไม่มีเราก็จะไม่มีด้วยนะมันคิดเห็นแก่ตัวเนี่ยไอไ อ, ไอความตรนีเนี่ยเอาตัวเราสูงสุดหวงไว้เพื่อตัวเพราะฉะนั้นจิตที่ประกอบด้วยตนีพันดวงเกิดขึ้นมันก็ชนะไอศัทธาดวงเดียวทีนี้ต่อมาฟังอีกศัทธา เกิดอีกหนึ่งดวงอยากจะบูชาแต่ว่าจิตที่เกิดประกอบด้วยความตณีพันดวงมาเกิดอีกในที่สุดไอ้ความตณีมันมีกำลังก็เหมือนกับจับไอ้ศรัทธาเนี่ยมัดไว้บอกแกไม่ต้องไปไหนทำงานไม่ได้ในที่สุดนะเมื่อถึงยามสุดท้ายคิดว่า ถ้ามันจเจริญมากในความตนีเราเนี่ยไม่สามารถที่จะยกศรีรษะให้ขึ้นจากอบายภูมิสี่ได้แน่คือเขามีปัญญาเห็นว่าไอ้ความตนีเนี่ยไม่มีที่ไปอย่างอื่นเลยคือลงอบายภูมิเพราะฉะนั้นเราจะต้องยกหัวของเราเนี่ยศรีรษะขงเราให้มันพ้นอบายภูมิไม่ได้นะก็ถวายคมตนนีที่เกิดขึ้น ตั้งพันดวงนั้นด้วยศรัทธาที่มีกําลังนะเอาละศรัทธาชนะแล้วก็เป่งเสียงดังๆว่าข้าพเจ้าชนะแล้วเหมือนกันเลยเหมือนกับพราหมณ์จูเลกาสาดกทีนี้พระเจ้าประสเสนิโกศลในในใ น, ในเรื่องของพระมหากัะสปเทระนั้นเป็นพระเจ้าพันธุมราชนี่ในเรื่องนี้เป็นพระเจ้าประสเสนิโกศลได้ยินเสียงนั้นก็เลยบอกอำมาตย์เราไปถามดูซิว่าเขาชนะอะไรนะ ร้องลั่นลนว่าเร า, วเราชนะแล้วเราชนะแล้วเนี่ยพราหมณ์จึงบอกว่าที่ร้องว่าเราชนะเพราะมันชนะกิเลสนะไม่ได้ชนะคนอื่นเราชนะความเจตนานั่นเองพระเจ้าปเสนิโกศลก็คิดเหมือนกันว่าพราหมณ์ทำสิ่งที่ทําได้ยากเราจะต้องบูชาเขาจึงพระราชทานผ้าสาดกหนึ่งคู่เขาก็คิดอีกว่าเราได้ผ้าเนี่ยเพราะเราบูชาพุทเทเจ้านะคิดถึงคุณพูทเทเจ้าเพราะฉนั้นผ้านี้ ได้มาเพราะการบูชาคุณพระพุทธเจ้า ก, ก็ต้องบูชาอีกก็บูชาไปในที่สุดนะพรามก็ได้ผ้าเพิ่มมาจนถึงสามสิบสองคู่แล้วก็เหมือนกันนะเอาไว้สองคู่อีกสามสิบคู่ถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าหมดใน ในในสมัยที่พราหมณ์ผู้นี้นะเกิดเป็นมหาเอกะสาดกมหาเอกะสาดกในสมัยพระเจ้าวิปัสสีนั้นเขาได้ผ้าบูชาจากพระราชาเหมือนกันหกสิบสี่คู่นะได้หกสิบสี่คู่มากกว่าสองเท่าแต่เพราะว่าเป็นจุเลกสาดกเนี่ยได้เพียงสาสิบสองคู่ ในที่สุดนะพระราชาก็ได้ให้เอาผ้ากำพลสอง ผ, ผืนภายในวังเอามาให้พราม ผ, าผ้าสองผนะืนนมีค่าตั้งแสนหนึ่งพรามก็คิดอีกว่าผ้ากำพลเหล่านี้ไม่สมควรแต่ต้องที่สลีละร่างกายของเราผ้าเหล่านั้นสมควรแก่พระพุทธศาสนาเท่านั้นจึงได้ขึงผ้ากำพลผืนหนึ่งทำเป็นเพดานไว้เบื้องบนที่บัรทมของพระศาสดาภายในพระคันธกุฎี อีกพื้นหนึ่งขึงให้เป็นเพดานในที่ทำพัฒกิจของภิกษุผู้ฉันเป็นนิดในเรือนของตน อ, อีกที่หนึ่งมาขึงในในใ น, ในบ้านของตนที่สำหรับตอนรับพระภิกษุในเวลาเย็ยนพระศ า, าสดาเส ด, สเด็จไปสู่ที่กุฏิของพระผู้มีภาคเจ้าพระคันทะกุฎีก็จำผ้ากำพลได้ทูลถามว่าใครทำการบูชาพระเจ้าข้าพระศ า, าสดาบอกว่าพราหมณ์ชื่อเอกสารดก พระราชาจึงคิดว่าพราหมณ์เลื่อมใสในฐานะที่เราเลื่อมใสเหมือนกันโอ้เลื่อมใสพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะแต่แต่เขาฉลาดเขาเขาเอาผ้าบูชาเป็นเพดานเพราะฉะนั้นพระเจ้าปเาสรในโกุศลจึงพระราชาทานช้างสี่ม้าสี่กะหาปณ ะ, ะสี่พันสตรีสี่ทาสีสี่บุรุษสี่บ้านสวยอีกสี่ตำบทให้แก่พราหมณ์ผู้นี้บูชาว่า โอ้โหเขานี่ไม่เอาผ้ากำพลที่เราให้เพื่อประโยชน์แก่ตนเลยกลับมาบูชาพระพุทธเทจ้าภิกษุก็สนทนากันว่ากรรมของพราหมณ์ชื่อจูจเลกสาดกเนี่ยหน้า